นะพอสําเร็จอรหัตผลทั้งพุทธคุณทั้งสิ้นก็มาโดยลําดับแห่งอรหัตตมรคนีะเช่นอะไรบ้างพุทยา น, นีจะจุทธสะพุ ท, ย า, พทยานนะพุทยานานิจุทธสะหมายถึงพุทยาน14อย่างพุทยาน14อย่างอะไรบ้างก็ยานเหล่านี้คือยานมขยานผลยานอสสาธารณญานหนะ ถ้าเป็นอีกในหนึ่งปฏิสัมพิทาก็บอกว่ายานในอริยมรรคสี่เออขออภัยยานในอริยศาสตร์สยานในปฏิสัมพิทาสี่แล้วก็อาสาคารมะยานหแต่ตรงนี้ยานในมรรคสี่ยานในผลสี่แล้วก็อาสาคารมะยานหชื่อว่ายานของพระพุทธเจ้ารอบรู้สิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะยานในมรรคสี่ยานในผลสี่นี้พระองค์เชี่ยวชาญจานานแตกฉาน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 พระองค์บรรลุปฏิสัมพิธายานสี่เวสารัชยานสียานที่กำหนดกำเนิดสียานที่กำหนดคติห้าทศพลยานก็รวมลงในพุทธคุณทั้งสิน้นอันนี้ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างถ้าในอัตถกถาสุปวาสาสูตรเนี่ยนะสุปวาสาสูตรที่อธิบายว่า พระทศพลอธิบายขอไปอธิบายคําว่าตรฐาคตนั้นอ่ะจะยกถึงยานที่ไม่มีอะไรกลางกั้นในการสามไม่มีอะไรกลางกั้นในอดีตไม่มีอะไรกางกั้นในอนาคตไม่มีอะไรกางกันนนกงก้นในปัจจุบันยานที่กําหนดกําเนิดสีท่ที่ยานที่กําหนดว่ากรรมเหล่าใดที่พาไปเกิดในคันเกิดในใครเกิดโดยเท่าใครและเกิดโดยโอปปาติกะเนี่ยนะทั้งกรรมและการเกิดกรรมที่นําเกิดและก็ตัวการเกิด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 กรรมที่นําไปสู่เป็นไปสู่ภพเหล่านั้นเป็นอย่างใดและการเกิดเป็นเทวดาและพรหมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ยานที่เป็นกําลังของพระองค์แต่ถ้าเป็นในอัตถกาถาสุปปวาสาสูุหรือใน เ, อเรียกว่าในอุทานในอุทานกับในอิติวุติกาก็จะยกเพิ่มว่ายานที่กําหนดโพชงเจยานที่กําหนดอริยมรรตแปยานในอนุปุพปะสมาบัติ9แล้วก็ทศพลายานสิบ ยานเหล่านั้นทั้งหมดก็รวมในพระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะถ้ามหาบุรุษนาร ะ, ะพอบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่เท้ามหาพรหมาราธนาพระองค์ก็แสดงคำให้ภิกษุที่บวชพร้อมกับพระองค์นะทนานชัยราชจุทยานเอาไว้เฉพาะพระพักประกาศพระธรรมจักรพระก็มีผู้ตรัสรู้ตามแสนโกรธพระภิกษุแสนโกรธ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 ปกฝนใจนะเรียกว่าพญานาคสร้างความเดือดร้อนให้ได้ครั้งนั้นพระนารถศาสดาผู้ทรงเห็นฝั่งเห็นอุปนิสัยของสัตว์เป็นอันมากในการแนะนําพญานาคเรียกว่าการไปฝึกพญานาคให้มีสารณะให้มีศีลนั้นจะมีผู้ที่บรรลุธรรมโดยอาศัยการสอนพญานาคเพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เวทล้อมพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่อยู่ของพญานาคถ้อย่างของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าโปรดพญานาคไหนนะ นันโทปนันทนาคราชเนี่ยนะนันโทนันทพุชคังวิพุทธังมาหติตเทียงปุตเตนะเทระพุชเคนะเนี่ยนะที่เราสวดอะไรพาหง่ะนะพาหงะ่ะพระองค์นั้นก็ให้พระโมคขาลานะถฝึกหรือฝึกพญานาคชื่อว่านันโทปนันทนาคราชตรงนี้นาคชื่อโทนะเนี่ยนะพวกงูเงี้ยวเขี้ยวเสือเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนนะนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเราก็เคยเกิดเป็นนาคนะนะพูดถึง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 เห็นพระนาคามูนีหน้าเนี่ยหมายถึงสับประเสริฐเต็มความหมายคืองูส่วนนาคะคือผู้ประเสริฐหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้มีโมนยธรรมโมนยธรรมทางกายวาจาและใจะนะนั่งอย่างนั้นทนการลบหลู่ไม่ได้พญานาคเนีแหมมันยามกันเกินไปแล้วนะทนการลบหลู่แล้วว่าแหมมองอีกฝ่ายหนึ่งมาเหยียดมายามกันดูสิมันนั่งในที่เนี่ยนะมันของข้าพเจ้ามันนั่งที่นั่งข้าพเจ้าได้อย่างไงหรือว่ามันนั่งที่ที่เข้ามาบวงสวงพลีกรรมได้อย่างไร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 เราก็ให้พระพุทธเจ้าอดโทษและถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะฉันนั้นครั้งนั้นพระนารถามุนีก็ฝึกพญานาคนั้นแล้วก็ทรงทมยมกะปาฏิหารเพื่อยังจิตของมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นให้เลื่อมใสอ น, นะการแสดงปาฏิหารก็คือเนรมิตรัตนจงกรมพระองค์ก็เสด็จจงกรมแสดงปาฏิหาร พ่อไฟกับสายน้ำพุ่งออกจากพระวรากายโดยสีต่างๆหกสีแล้วพระ อ, องค์ก็ตรวจดูวาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแสดงทมตามอัธยาศัยก็มีผู้ที่บรรลุ ป, ประมาณ 90,000 ืนโกดมันพระ อ, องค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาในพุทธวงศว่าพระมหามุนีทรงฝึกพระยานาคมหาโทนะเมื่อจะทรงแสดงแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ได้ทรงทำ ปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ 90,000 ืโกธก็ข้ามพ้นความสงสัยทั้งปวงในการประกาศธรรมก็มีผู้บรรลุเยอะแยะไปหมดเลยเหลือแต่พวกเรานี่ยนะในครั้งที่สเนี่ยนะครั้งที่3ว่าพระองค์โอว่าพระนันทุตรกุมา o, รโอรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่สก็ได้มีแกษัตว์แปด0 0ื่โกดฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งที่สพระมหาวีระ ทรงโอวาทพระอุรสของพระองค์อภิสมัยครั้งที่สมได้มีแก่ัตว์แป0 0มื่นโกด น, นก็คล้ายๆกับราหูโลวาทสูตรเนี่ยนะที่แสดงโอวาทแก่พระราหุลก็มีเทวดาและมนุษย์บรรลุมากส่วนครั้งที่เออนะครั้งที่เราไปว่าครั้งที่พราม ส, สหายสองคนชื่อว่าพัทธสาละและวิชิตมิตระกำลังสแสวงหาห้วงน้ำคืออมะตะธรรม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 เขาเห็นมหาภุริสลักษณะส2ประการในพระวรกายของพระองค์ก็ตกลงใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีกิเลสดุจลังคาอันเปิดแล้วในโลกกิเลสเหมือนกับลังคาที่หุ้มปกปิดไว้นะพระองค์เปิดเรียบร้อยแล้วก็เกิดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยบริวารก็บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสองสหายนั้นบวชแล้วก็บรุกพระอรหันต พอบรลุเป็นพระรหัต์พระองค์ก็ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในถ้ำกลางภิกสุแสนโกดอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่หนึ่ง พระนารถสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธวงศ์จำเดิมแต่การตั้งปณิธานของพระองค์ในสมาคมพยาศเนี่ยนะปณิธานโตปัฏายะทะสะปรมีโยทัสะอุป ป, ปารมีโยก็กล่าวถึงว่าพระองค์ตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระองค์รวบรวมบารมีอย่างไรอุปปารมีอย่างไรปรมัาถารมีอย่างอย่างไรรวบรวมทานศีนเนฆัมมะเป็นต้นอย่างไรก็ในที่ ในที่สุดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องพบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่าใดบ้างานะการที่พระองค์ตรัสเล่าพุทธวงศคล้ายๆกับคัมภีร์พุทธวงศที่เราเรียนอยู่นี้แหละภิกษุประมาณ 90,000 มกอดประชุมกันอันนี้เป็นสาวกสนิบาตครั้งที่2ส่วนครั้งที่สเนี่ยนะสาวกสนิบาตครั้งที่3ว่าพญานาคชื่อว่าเวโรจนะผู้เลื่อมใสในการฝึกพญานาคชื่อว่ามหาโทนะ เออน้าคืว่าหน้าคาน น, านั้นถูกปราบเรียบร้อยเลยตัวเองก็เลื่อมใสเลยเนรมิตมนดบที่สำเร็จด้วยรัตนะเจประการขนดเออขอขนาดสามขาวุธในแม่น้ำคงคาอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งบริวารให้ประทับนั่งในมนดบนั้นพร้อมทั้งบริวารก็นิมนต์เพื่อชมโรงทานของตนนชนบทของตนให้เรานาตกะหญิงนักฟ้อนราที่เป็นพวกนาคอะนะนักดนตรีผู้บรรเลงดนตรีชื่อว่า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 นะพวกนี้ที่ตอนที่อนุโมทนาเขาก็เลื่อมใสขอบวชบวช ด, ด้วยเอหิพิกุเนี่ยนะพอล้างกรร บ, บวชก็ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีการประชุมสาวกนะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าภิกษุประมาณ8ล้านก็ประชุมกันฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเรานั้นก็บวชเป็นฤาษีผู้ชำนาญในอภิญยาห้าสมาบัติ8สร้างอาสมอยู่ข้างภูเขาหิมพานลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านาระ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 โอ้ชมพระพุทธเจ้าได้ทั้งคืนเ่ยนะไม่ได้ทําอะไรนั่งชมพระพุทธเจ้าทั้งคืนเ่ยนะของเราบอกว่าจะทำได้อย่างนั้นได้ไหมบอกไม่ยากก็อิทิพิโสพันรก็อาจจะสว่างพอดีก็ได้นะอิติปิโส 84% ดหมันครั้งเนะี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวก็สว่างเองจนได้ก็ชมอยู่นั่นแหละเอาก็าไม่ได้ห้ามมาชมซ้ําไม่ได้ใช่ไหม ไม่มีว่าจะต้องใหม่ใมใช่ใม่ใ ม, มตลอดว่าอิทิปิโสเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุโทโธแบบบาลีล้วนไทยล้วนบาลีไทยไทยบาลีก็กลับไปกลับมาอย่างนั้นก็ได้จะโดย อ, อธิบายยัดถา่ายหรือแบบอธิบายหรือแบบไม่อธิบายก็ว่าไปเดี๋ยวมันก็หมดเวลาเองอะไรนะแค่คืนเดียวจะไปยากอะไรตัหาว่ามีศรัทธาจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหะแต่ฝ่ายพระโพธิสัตว์นี่คงชื่นชมมากกว่า น, นั้นอ่ะนะก็ประกาศพระพุทธคุณทั้งคืน เสร็จแล้วก็ฟังธรรมกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันรุ่งขึ้นก็ไปยังอุตรกุรุทวีปนําอาหารมาจากที่นั้นถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารพอถวายมหาทานอย่างนี้เจวันก็วันที่7ก็นําจันทร์แดงที่มีค่าหาไม่ได้จากป่าหิมพานมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจันรแดงครั้งนั้นพระทศพลอันเทวดาและมนุษย์แวดล้อมตรัสธรรมกถา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 แล้วบูชาด้วยจันแดงคือบูชาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์และบริวารคือพระอนาคามีอีกประมาณหนึ่งมืครั้งนั้นพระนารทพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้แปลว่าอีกหนึ่งอสงไขยแสนกัปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ฟังพระดํารัสคําพยากร์ก็ร่าเริงดีใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติ ให้ยิ่งยวดสร้างบารมีสิบประการให้บริบูรณ์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพะนามว่านาราทมีเมืองเป็นที่เกิดชื่อว่าธัญยวดีพระพุทธบิดาพระเจ้าสุเทวะพระพุทธมานดาพะนางอโนมาคู่อักระสาวกชื่อว่าพัทธสาละและพระชิตมิตะพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระวาเสธะอัรสาวิกาชื่อว่าอุตราและภคุณี ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นมหาโสนะสรีระสูง88ซอกมีพระรสมีจากพระวรกายหนึ่งโยตเป็นปกติพระชนมายุ 90,000 ปีอัคราเหสีชื่อว่าวิชิตเสนาเป็นทั้งเหสีด้วยเป็นผู้ที่ถวายเข้ามาทุปายาดด้วยแล้วก็พระโอรสชื่อว่านันทุตระกุมารปราศาสสามหลังชืวว่อ ว, วิชิตาวีและวิชิตาราม ครองคาวาสวิสัยอยู่ 9,000 ปีอภินิษฐสกลมด้วยพระบาทไม่ต้องนั่งอะไรไปเดินไปก็ได้เนี่ยนะว่าไม่ไกลก็ตัดสู้ที่ข้างๆวังนั่นแหละเดินไปก็ได้ไม่ต้องเอารถเอาช้างเอามา้าอะไรมารับรอเหมือนกันนะ ถ, ถ้าไปไหว้พระพุทธเจ้าสังเวชนียสถานพระ อ, องค์นี้ง่ายมากนะที่ประสูตรก็ใกล้ ที่ตรัสรู้ก็ใกล้เนี่ยนะรรมาจากก็อยู่แถวๆนั้นอีกโอ้ที่เดียวเลยนะรวบแบบเสร็จล้าอย่างด้วยกันเสียดายเกิดไม่เรียกว่าเกิดเกือบทันนะี่นะแค่อสงไขกว่าเองพูดถึงรัศมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะแล่นออกจากพระวรากายโดยปกติประมาณวานหนึ่งแต่ว่าแสงที่พุ่งออกไปเนี่ยประมาณหนึ่งโยดทั้งกลางคืนกลางวันบอกว่าสมัยนั้นชนบางพวกจุดคบเพลิงตามประที ให้ติดสว่างในที่รอบๆโยดหนึ่งไม่ได้เพราะพุทธรัสมีครอบงำทํำยังไงก็ไม่มีแสงอย่างอื่นเลยภายในเขตหนึ่งโยดเนี่ยนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าหงเข้าไม่สุกนะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอพระองค์มีพระชนมายุประมาณเก้าหมื่นปีก็ยังชนหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสารเหมือนอย่างว่าท้องฟ้า ง, งามวิจิตไปด้วยดวงดาวทั้งหลายชั้นใดาาศาสนาของพระองค์ก็งามด้วยพระ้าหั่นทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน พระนาราสภะพระองค์นั้นทรงทำสะพานคือพระตรยปิดกคือคาสอนของพระองค์เพื่อยังผู้ปฏิบัติที่เหลือให้ข้ามกระแสสังสารวัตแล้วก็เสด็จดับขันทะปรินิพานพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีบุคคลเสมอพระองค์นั้นก็ดีพระขีณาศพอรหันผู้สาวกทั้งหลายผู้มีเดชที่เอาอะไรไปชั่งไม่ได้เหล่านั้นก็ดีทั้งหมดนั้นก็อันตรธานสิ้นไป สังขารทั้งหลายว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะเหมือนกับพวกเราอีกนะว่างเปล่าแน่แท้เนี่ยนะถ้าอีกสักห้าพันปีนี่พวกเราจะเป็นยังไงกันนะจะมีใครเหลือบ้างไหมตัวเองยังจําไม่ได้เลยไม่ต้องอะไรหน่อนะไม่ต้องว่าใครมาจําเราหรอกตั ว, วเองอะถ้าไปเวียนไหวตายเกิดยังจําตัวของตัวไม่ได้เลยนะบทว่าธรรมะเสตุงเนี่ยหมายถึงสะพานคืออริยมรรคคาว่าสะพาน เพื่อยังบุคคลที่ข้ามจากสังสารวัฏ ร, รมกิจทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปรินิพานมันสะพานคืออริยมรรคข้ามจากวัดตะสู่วิวัตต์เพราะฉะนั้นสิกขาสามอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่อาศัยพระไตรปิฎกกล่าวถึงประกาศถึงอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะยังอริยมรรคให้บริบูรณ์ผู้ที่แทงตลอดอริยมรรคก็ทําที่สุดแห่งวัฏถุกข์ได้นีนะม น, น, น, น, นก็บุญกุศลที่ได้ฟังนี้ก็จงเป็นปัจจัย ให้ได้เดินตามสะพานคืออรรยมรรคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วทุกท่านอนุโมทนาเช้านี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน